ในนี้ใครล้างสารพิษแล้วก็บาธรรมัดชาวาบ้างยกมือดิอ๋อมีอยู่สี่สี่ท่านเนาะห้าท่านอนุโุธน า, าเราล้างพิษร่างกายด้วยจิตใจด้วย การตระมัดเหมือนการล้างข้อมูลที่เราเคยได้รับจากทางโลกโลกเช้าตื่นมาเปิดข่าวดูเปิดสื่อแล้วก็รับข้อมูลเช้าเแบบโลกโลกหายอยู่หากิน แต่วันนี้เรามารับข้อมูลที่องค์สมเด็จตัมมาขเจ้าได้สั่งได้สอนในปณิสิต่ะวัสสตว์วิชาศาสน า, า, า, า, าเป็นหลักการเป็นอุดมการเป็นความหมายที่เราก็ไม่เคยเห็นใครก็พูดกัน อย่างคิดมันเป็นการเกิดที่เป็นนามธรรมมันเป็นเพราะเป็นชาติการเกิดทุกคราวเป็นทุกล่ําไปก็คือการเกิดในความคิดในจิตของเราที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาเกิดแล้วเกิดอีก มาคิดคิดออกไปนอกตัววันนี้เรากลับมาวิชากรรมฐานปริเดตทธรรมไม่กลับมากลับมาหากายกลับมาหาความรู้สึกกายกลับมาหาใจ ก, กลับมารู้สึกตัวทิ่กใจ ไปเห็นกายเห็นใจทางความเป็นจริงหเห็นมินาการหเห็นเป็นความรู้สึกตัวเราน้อมเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติจนได้หลักชีวิตทำจนเป็นมาตรฐานของชีวิตมีความรู้สึกตัวทั่วสระางกายมีความเป็นปกติ เต็มอยู่ในพื้นที่ของจิตของใจความไม่ปกติความหลงก็หายไปแต่ว่าตอนปฏิบัติต้องรู้สึกตัวให้เป็นการรู้สึกตัวให้เป็นนําจะเกิดการปล่อยวางถ้ารู้สึกตัวยังไม่เป็นก็ยังไม่เกิดการปล่อยวางเกิดการยึดแวอินมัดดึง ตึงแน่นจนเครียดจนใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นความผาสุกเราเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาจะกลายเป็นเรื่องของจริตนิสัยตัวสะจริตโมหจริตโลภะจริตลาคะจริตวิตรกจริตปุตถิตจริตต่างๆเป็นอาการที่หลงเข้าไปเปลอเข้าไป หลายวันหลายเดือนหลายปีพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆกรรมฐานนี่ต้องทำซ้ำๆยิงซ้ำอะไรก็ ย, ยิงทวนโลกทวนกระแสปุนสูตรสภาวะของธรรมชาติธรรมดาๆรรการเคลื่อนการไหวการนิ่งการหยุดเคลื่อนไม้แต่ละขณะเนี้ย เคลื่อนมือแต่ละครั้งนีมันเป็นเรื่องของการเคลื่อนการหยุดหรือ ว, ว่าเจริญสติแนวเคลื่อนไหวมีเคลื่อนมีหยุดมีเคลื่อนมีหยุดมีเคลื่อนมีหยุดฝึกรู้ฝึกละฝึกรู้แล้วก็ปล่อยตัวรู้มันไปอันนี้ก็คือเจตนานั่นเองนะ เจตนากําหนดรู้เป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งประทำเป็นแล้วก็เหมือนกับยานถ้าทําเป็นการเคลื่อนตะาระหนักเหมือนกับยานมันหมุนไปข้างหน้าตลอดมันหมุนมาเดินทางตลอดจิตใจเราเดินทางตลอดออกจากทุกข์ข้างหลังมันคือความทุกข์ที่เกิดจากความคิดข้างหน้านก็คือความรู้สึก มัมงตรงต่อการปล่อยการวางยิ่งเดินทางก็ยิ่งเบาเบากายเบาใจยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเบาเบากายเบาใจกายก็เบาใจก็เบาคำว่าเบานี้ก็คือมันรู้จักปล่อยจักวางอดีต ท, ที่เคยยึดผูกมันลัดตึง มันมถูกการแก้ไขป่อนกลายบันเทาขึ้นมหลกความเป็นจริงที่ปัจจุบันรู้สึกตัวไม่มีภาละความคิดก็ถูกปล่อยถูกวางลงทุกทุกขณะที่รู้สึกตัวจนสติเด่นขึ้นกรรมฐานก็มีอันนี้สรงขึ้นมา ปเป็นกันะรู้สึกตัวประเนะรู้สึกตัวมันเหมือนกับเป็นการปล่อยการวางให้สิ่งที่ยึดถือความรู้ตัวรู้ที่พุ่งเข้าใส่ฐานกายตัวรู้ที่พุ่งเขาสู่อาการที่กำลังปลากรตามเหตุัปัจจัยของธรรมชาติมันจะถูก ปล่อยถูกวางทันทีทุกครั้งที่กระทบะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตใจคิดนักปรุงแต่งต่างๆสมองมันก็ถูกรู้เท่ารู้ทันเกิดการปล่อยการวางถ้า ไ, ไปแล้วก็เหมือนกับตัวรู้ถูกใช้งานใช้งานชะกระจก เสร็จนาค่าไฟเถิกเสร็จสึกค่าขุนพลมันไหมก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อกำลังรู้เป้าหมายชัดการเคลื่อนกันไหวของปัจจบันกันก็ถูกวางทันทีตัวรู้ถูกงดการใช้งานทันทีรูเป็นกลางรู้เป็นกลาง ไวนิ่งไวนิ่งไวนิ่ ง, งมาทำถูกมาเป็นวิปัสนามันก็จะมีการฝึกหัดเพื่อให้สังเกตในรายละเอียดของการปฏิบัติตรงนี้มันจะเกิดลักษณะของความรื่นเรองจิตใจปลาโมดขึ้นมาเมื่อเรารู้ความจริง ความจริงของธรรมชาติความจริงของกายของใจโดยเฉพาะอารมณ์ทุกาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาัมนคือธรรมะมันไม่ใช่วันหนักไม่ชอบเบาชอบฟุ้งซ่านไม่ชอบมันสงบชอบมันมีความสุขชอบมันทุกข์ไม่ชอบ เราไม่ได้วางใจงนั้นเราวางใจแล้วนะของความเป็นผู้ดู mm hmm. เบื้องต้นแล้ ว, วา่าดูการเคลื่อนกันไหวของกายนี่แหละ mm hmm. รับรู้ปฏิบันิขณะของการสัมผัสเป็นการสัมผัสรู้สัมผัสรู้ไปเรื่อยในรูแปแบบ ตันมันมีลรื่อะของทุกข์ที่มันแสดงออกมาให้เราได้สัมผัสจัดๆเป็นทุกข์ขังคุบขังก็คือร่างกายของเราที่นั่งเดินยืนนอนใน ก, กระดาที่มันนั่งนานๆต้องเคลื่อนต้องไหวมันแก้ทุกข์ในตัวของมั น, มนเป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันหนีไม่พ้นเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งต้องอยู่ต้องกระหาย ต้องอาบน้ำต้องแปลงฟันต้องล้างหน้ามันเป็นความทุกขนะ์เรียกว่าคุกขังมันมันทนไม่ไหวด้วยมันต้องมีอาการต่งตางๆแสดงออกมานั่งเดินยืนนอนกระพริบตาหายใจอันนี้เป็นลณาของอันนี้จังนะซึ่งเเป็นความทุกข์เราแก้ทุกข์ ผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขความไม่เที่ยงนั่งนานก็ไม่ได้นอนนานก็ไม่ได้ยืนนานก็ไม่ได้ทำอะไรนานๆแช่แช่มันก็ไม่ได้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎในพระไตรลักษณ์ซึ่งแสดงลักษณะออกมาสามประการ ความเป็นทุกก็ แ, แสดงความไม่เที่ยงก็ แ, แสดงเพื่อให้ธาตุขันธ์มันดำรงอยู่ได้ที่มันนิสัก็คือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เกิดจากความคิดทั้งหมดเราไม่ควรยึดไม่ควรถือเลยตกครั้งที่มันรู้สึกตัวมันก็ปล่อยก็วางความคิด ซึ่งเป็นลักษณะของความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ว่าเจตนาดำํำริหยิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นภพเป็นชาติเป็นภพเป็นภูมิบางทีอยู่คนพานจะทําตัวเป็นพระมันก็ไม่ได้บางทีอยู่กับพระจะทําตัวเป็นคนพานก็ไม่ได้อยู่กับมีศีลทําตัวกับคนไม่มีศีล อยู่คนที่ไม่มีศีลทําตัวมีศีลมันก็อยู่ยากเพราะจึงมีล้วนะของการปรับออกภพภูมิสมมุติมาใช้เป็นอาการกิริยาภายนอกแต่ภายในเป็นพรัชัาสภาวะก็คือรู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่ปกติอยู่ไม่ปกติอยู่ทำด้วยความปล่อยความวางวางตาวางหูวางจมูกวางลิ้นวางกายวางใจวา ง, วางความคิด วางสมมติบัญญัติต่างๆแต่อยู่ด้วยความกลมกลืนมันก็เป็นตัวปัญญาและเป็นปัญญาที่ทําให้เกิดการไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันเป็นปัญญาที่พาพ้นทุกพ้นโทษพน้นภัยอยู่ตรงไหนก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เกิดคุณเกิดประโยชน์พระธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดคือสิ่งเดียวกัน ใจเขาก็เหมือนใจเราใจเราก็เหมือนใจเขาแต่เราจะอยู่กันอย่างไรเป็นกัลยาณมิตรเป็นขอบทางที่แสดงออกบอกทิศให้เดินทางพุ่งตรงไปสู่ความเมทุกความพ้นทุกข์ตัวนี้เราก็ต้องหันกลับมาดูภายในตัวเราผ่านความรู้สึกตัวมันโกรธก็ต้องกลับมารู้สึกตัวมันพอใจก็กลับมารู้สึกตัวไม่พอใจกลับมารู้สึกตัว มันง่วงกลับมารู้สึกตัวมาเกิดความกังวลวิตกเจ้ามองกลับมารู้สึกตัวแกจะขึ <c oughs> <BLACK S> ้นราคากลับมารู้สึกตัวมันจะขึ้นราคากลับมารู้สึกตัวมันจะลงก็กลับมารู้สึกตัวรัฐบาลจะกูดรีดภาษีอักกรเป็นราชภัยกลับมารู้สึกตัวนะรถติดก็กลับมารู้สึกตัว เกิดอะไรขึ้นก็ตามคนจะตายกววายจะออกลูกพระจะึกก็กลับมารู้สึกตัวเรวจะล้างสารพิษกันจะเป็นคนหมู่มาก่าอยู่ร่วมกันเราก็รู้สึกตัวก็มไม่เกี่ยวอากาศจะหนาวแดดจะร้อนฝนจะตกมันก็มีแต่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันจะเป็นธรรมาชาติของกายของใจเรา เก็บดูแลปกป้องคุ้มครองให้ชีวิตเราของเรามันรื่นเริงมีความปราโมทมีความปีติสุขมีความสงบมีลัณะของการเห็นเบื่อหน่ยครายจางในโลกเกิดวิราคะแม่ราคาขึ้มนมามันก็เป็นวิมุตตหลุดพ้นมันก็เห็นลนักษณะของการหลุดพ้นภายในใจเราเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างโน้น เป็นลาาักลีลาของตันหาสั่งเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็ไม่ต้องมันกลายเป็นเรื่องของไม่มีความยืดหยุนเราเห็นความรู้สึกตัวมีอาการยืดหยุนพอสภาวะของความรู้ึกตัวภายในใจเรามันอ่อนโยนมันุ่มนวลมันมีอาการที่เราอยู่ก็ได้ แต่เป็นการขัดแย้งเป็นความทุกข์เป็นความเครียดที่อยู่ยากสภาวะทุกข์ก็คือความขัดแย้งมันติดมันขัดมันสับมันสนมันเดือดร้อนแต่พอเราเกินสุสวรระปกติเราเห็นเราเห็ของอาการเตือนเต็มไปด้วยความรู้สึกตัวรู้แล้วรู้แล้วตัวนี้มันมีจริงๆสติปัฏฐานจะนะเป็นกราะเป็นเกราะ มันก็เต่ามีกระดองอันนี้องค์สมเด็จสัมมาเจ้าได้อุปมาอุปไมยเอาไว้นผู้ที่มีความรู้สึกตัวมีสตินะมันก็เต่าที่มีกระดองสุนักป่าก็กัดไม่ได้มากัดก็หดเอาอวัยวะเข้าไปในกระดองหัวก็หดลงไปเท้าก็หดลงไปมันก็ปลอดภยัย กระดองแข็งผู้มีสติหลบเป็นกระดองนะก็นั่นหมายถึงว่าเรามีความรู้สึกตัวอยู่อันนี้ทําให้เกิดความไม่ประมาทขึ้นมามีความรู้สึกตัวมันก็รักช่วยมีความรู้สึกตัวมันก็ทําดีมีความรู้สึกตัวเขาชาระจิตนะอันนี้มันก็เป็นแล้วนะของโอวาตวปาิโมกตันทีเป็นโอวาสอนตัวเองนะเราก็เป็นครูสอนตัวเอง ทุกครั้งที่ปวดลงไปกลับมาทันทีปฏิบัติ ร, รมเกินไหวรู้สึกตัวตั้งแต่หัวจาะเท้ารู้ทั่วสระบางกายในรูปแบบนอกรูปแบบก็ฝึกหัดเจอร่งจำนานเห็นเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเกิดขึ้นมานั่งเจ็บปวดเมื่อยกับธรรมชาติธรรมดานี่แหละเมื่อก่อนโอยนั่งก็โอยลุกก็โอยกิดความพอใจไม่พอใจ ที่ชอบนั่งนานได้ที่ไม่ชอบนั่งนานไม่ได้ชีวิตก็ปอกบางเกินไปเป็นปุถิชนเป็นชีวิตที่ขาดทุนได้ชีวิตมาเป็นมนุษย์มันก็ยากแสนยากการใจชีวิตนการเกิดเว็นชาวปุถุพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังถึงเรื่องจิตตภาวนาะเจริญสติปัฏฐานสี่ มีสติเห็นก า, กายรู้สึกที่กายมีสติเห็นเวทนารู้สึกที่เวทนา spinning, เห็นสุขเห็นทุกข์ขอ ง, งกายของจิตของใจมีสติเห็นสภาวะของความคิดที่มันเกิดขึ้นมาคือเห็นจิตเห็นทั้งจิตที่มันสอนจิตคือความคิดมันสอนความคิดเราเห็นตั้งสติมันสอนจิตก็คือไม่ต้องคิด ทุกอย่างทุกสิ่งไม่ต้องเอาเหตุล้เอาผลไม่ต้องเอาถูกวเอาผิดมันก็มีการเปรียบเทียบต่างๆจนเกิดมารนะขึ้นมาเราดีว่าเขาเขาดีกว่าเร า, เ, ร า, า, เ, ราเขาแย่กว่าเราเราดีกว่าเขาเราแย่กว่าเขาเราเสมอเขาเสมอเรามันเป็นลักษณะของมานรณิติมันก็จึงไม่เป็นการเสมอภาคสักทีน ความสมอภาคนี่มาประมัญยาไม่ประมาณมันเป็นจิตใจที่มันมีล่านาของเมตตาที่คุณกรุณาที่คุณเป็นความยิ่งใหญ่ของชีวิตที่เหลืออยู่มันเป็นการให้ยิ่งให้ยิ่งได้ในีว่าการให้ธรรมะธรรมชาติอันนี้มันยิ่งใหญ่มากการให้ธรรมะให้ข้อมูลกับชีวิตเนี่ยยิ่งใหญ่มาก ความรู้สึกตัวแต่ละขนานี่มีหลวงปู่เทียนเนะี่ยเคยเปรียบเทียบเอาไว้เคยได้ยินในเทวมันหนึ่งนะตอท่านพูดถึงความรู้สึกตัวครั้งเดียวนะดีกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารลานเจดีทาบุญหมดเสู้สร้างความรู้สึกตัวครั้งเดียวก็ไม่ได้ขณะที่เกินไหวรู้สึกตัวครั้งเดียวนะ มันเป็นบุญมหาศาลเลยเพราะมันเป็นบุญ ท, ทำไม่เกิดความฉลาดบุญคือจึงความสุขที่ได้มาในชอบบางทีบางคนไม่มีปัญญาขาดสติมันก็หลงหยึดติดดีบ้าบุญจนเกิดความทุกข์เกิดการเบียดเบียนขึ้นมามากมายทําดีแล้วไม่มีความสุขอันนี้เคยเจอหมออยู่ท่านหนึ่งเป็นหมอที่ติดดีอย่างมาก ประเทศไทยถือว่าเป็นหมอมือหนึ่งกลุ่มหาลแพทย์มือหนึ่งเราเป็นอาจารย์สอนของมาิดอนด้นะติดดีขนาดหนักมานั่งอยู่ตรงนี้ร้องไห้ร้องไห้บอกว่าผมปฏิบัติธรรมั้งแต่ายุเป็นหนุ่ม20เจ็ดสศษจอบนั่งสมาธิหายใจเข้ารู้สึกตัว ภาวนาว่าพุทธหายใจออกรู้สึกตัวภาวนาว่าโทก็ทำมาตั้งแต่หนุ่มๆยังทั้งเดี๋ยวนี้ปดกเกษียณแล้วผมเนี่ยยังทุกอยู่เพราะตอนนี้เป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ก็ยังไม่ให้ออกไปทำอย่างอื่นก็ยังให้เป็นอาจารย์สอนอยู่ยังเป็นมิจยากรพิเศษสอนทั่วประเทศบางทีก็ไปต่างประเทศด้วย ทีนี้ผมเป็นหมอนะผมเห็นว่าหมอยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีจรรยาบันทางการแพทย์แต่งตัวเกี่ยคิ้วทาปากทาเล็บนุ่งสั้นไม่ตั้งใจที่จะรับรู้ข้อมูลล่าไปปฏิบัติมันมีปัญหาคือเด็กเล็กๆ ก, ก็ต้องการการดูแลถูกต้องแล้วก็จริงใจ กว่าเป็นหมอที่หาเงินกันมุ่งแต่จะหาุเหาผลประโยชน์เข้าตัวทำธุรกิจซึ่งก็ทำให้ตัวเองคิดเหมือนกันโอเดี๋ยวนี้พุทธพาณนนิชย์เงินมีเยอะที่แฝงแฝงกันเข้ามาหาผลประโยชน์เป็นเดือนานวิชาเป็นลน้นะของคนบาปในคราบนักบุญ มันมีเยอะมันเหมือนกันเลยแต่บังเอิญว่าอาจารย์หมอคนที่ว่านท่านมีความทุกข์จนนั่งร้องไห้เป็นประจำสอนเด็กแล้วเห็นเด็กไม่สามารถรับรู้ข้อมูลความรู้ปฏิบัติตามครูอาจารย์ได้อย่าง100ร้อยก็ร้องไห้น้ำตาไหลเพราะติดดีทําดี แต่ว่ามันยังดีไม่พอ ท, ทั้งที่เราทำมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มมันก็ยังน้ำตาซึมว่าความดียึดดีมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันยึดไม่ดีมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันศูนย์จุดศูนย์ศูนยตว่ารู้เท่ารู้ทันมันเป็นปัญญาได้ เราก็เลยต้องละชั่วทำดีแล้วก็ต้องวางดีถึงเป็นการชำระจิตให้เขารอดการชำระจิตทำอย่างไรก็นี่แหละพวกสตินี่แหละเื่อนให้เป็นอยู่ให้เป็นเื่อนให้เป็นอยู่ให้เป็นมีเจตนากำับรู้ใหเป็นแล้วก็ละให้เป็นวางให้เป็นมันจะเป็นลักษณะการสร้างจังหวะเนี่ยเพราะฉะนั้นการสร้างจังหวะนั้นมีความหมายเป็นศาสตร์เป็นสิลป่ง เป็นกรรมฐานที่ทําให้เกิดวิปัสนาไม่ใช่สมถกรรมฐานมันจะเกิดเป็นวิปัสนากรรมฐานขึ้นมาแต่ว่าเราปฏิบัติใหม่ๆ ม, มันก็ต้องเป็นสมถะเพราะสมถฐานนั้เกิดการสังเกตการดูอะไรนานๆอยู่เรื่องเดียวมแต่ไม่เกิดการสังเกตสมถฐานไม้เกิดการยึดอยู่ที่ฐานเช่นดูกายมันยูยึดอยู่ที่กายเป็นการสอนจิตเบื้องต้นนะ แต่พอลักษณะที่เราอยู่จนคุ้นจินนานๆได้เกิดการคลายออกมาการค่อยๆคลายออกมาคือลักษณะของการระลึรู้แต่ละขณะจะั้งมีสภาวะของผู้ดูจึงเกิดเป็นวิปัสสนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นการด้วยใหม่ๆมันเป็นลักษณะของการเข้าไปอยู่ในความรู้สึกตัวอันนี้เราจะเห็นว่ามีอาการนักอาการแน่นอาการเคลื่อน ต่อมาคือมีการรู้ความรู้สึกตัวอันนี้เห็นมันจะเริ่มสนุกมีความสุขการปฏิบัติเป็นอารมณ์ที่เกิดปิติอยแล้วก็ตัวเบาจ้องทั้งมีสภาวะของผู้ดูความรู้สึกตัวเภาวะผู้ดูมันจึงว่างการที่อยู่เป็นลักษณะของมีปันสจณาจิตปรากฏนะ มิปัสสนาเนี่ยมันคือภาวะของการที่มันดูดูไล่เห็นยังเกิดการไม่เข้าไปเป็นขึ้นมาเป็นการเดินทางทันทีเหมือนเดินทางไม่แวะเลยเดินทางไปผ่านไปไวมากปั๊บปั๊บปั๊นะผ่านทันทีงวงกับผ่านทันทีมันเครียดกับผ่านทันทีมันเกิดอะไรขึ้นกันมาความคิดอดีตอนาคตมันผ่านทันทีตรงเนี้ยมันเกิดความสะดวกมากกับการเดินทาง แล้วมันก็สามารถไปแบทตรงไหนก็ได้จะอยู่ในรูปแบบจะอยู่นอกรูปแบบจะอยู่กับคนน้อยอยู่กับคนหมู่มากจะอยู่กับธรรมชาติสัจสาลาสิ่งจะอยู่กับฤดูกาลต่างๆอนะย่างมาสองวันก่อนมีสามฤดูสังเกตหรือเปล่าร้อนจัดก็มีพอฝนตกปับ๊บเป็นหน้าฝนทันทีตกหนักเสร็จแล้วความหนาวก็มาทันทีสามฤดูเลย เราเด่นจิตของเรามันปกติดีไหมเรามีสติมีปัญญาเกี่ยวข้องกับเฉพา ะ, ะทำเหล่านี้ยอย่างถูกต้องก็คือเราไม่ต้องทุกข์ภายในอบอุ่นมากในขณะที่มันนาวจัดในในร้อนจัดกันในเราเย็นมากเนยสัมผัสอย่างนี้หรือไม่เวลาที่ฝนมันตกมานะจิตใจของเรามันก็สบายไม่เจอแฉไม่เปียกแฉไม่เน่าใน บางทีเรามีอาการสภายว่าทำที่มันเกิดขึ้นมาปรากฏอยู่ข้างในคือปกปิดสั้นเลนเปียกแฉะเ น, น่าในเป็นลักษณะของปมด้อยปมด้อยในชีวิตของเราเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนสิ่งที่เราเคยถูกกระทํามาจนตั้งมันเกิดอาการที่ว่าขยาดขยาดมันฝังอยู่ภายในจิตใจของเราพอเรามีลักษณะของความรู้สึกตัวมันก็ถูก ใกล้ๆก็คีลายออกมามันปุ้งออกมาจนเรารู้สึกว่าเออมันสับสนแล้วก็งงทําไมตอนอยู่บ้านเราทุกข์แค่จิตใจอย่างเดียวว้าวุานสับสนร่างกายไม่ทุกข์แต่พอมาอยู่วัดป่าสุกโตปฏิบัติมันทุกข์ทั้งกายทุกข์กายก็แสดงออกมาทุกจิตทุกใจก็แสดงออกมาอันนี้แหละมันกําลังแสดงออกถึงทุกขังที่มันมีอยู่ ร่างกายกอเราอันนีจังความที่มันคับแค้นใจมันทนไม่ไหวแล้วก็อนัตตาก็คือความคิดที่มันทะลักทะลวงออกมาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทางวิทยาศาสตร์กําหนดไวช้ชัดว่าความคิดเนี่ยมันเป็นลักณะของเป็นความเร็วเป็นความไวที่มัยฝาแสงแสงมันเดินทางได้ไวฝ่าเสียงวิทยาศาสตร์ะ ห8ึ่0 0สมนพันมต่อวินาทีหรือสามคนสิบชมลังแปหรือว่าเท่ากับสา0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีกําังดูใ้ชัดจิตคิดนี่ไม่น้อยกว่าส7เจ็เท่าของปรมนณูความใวของมันไตยบอกไว้ชัดว่าสิ่งใดไวัยฝัดแสงสิ่งนั้นไม่มีตัวตนก็คือความคิดนี่แหละคิดปั๊บมันก็ไปแล้วรอบโลกนะ คิดถึงอดีตก็ย้อนไปแล้วสิบปียี่สิบปีสามสิบปีไวัมากภาพนั้นยังปรากฏได้อยู่ภาพแห่งความทรงจําประทับใจไม่ประทับใจคิดเป็นสุขคิดเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความคิดจึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราจะไปยึดความคิดถือความคิดให้หนักทําไมที่แล้วก็แล้วไปหรือบางทีเราเคารพความคิดของกันและกันเจอกันเครื่องทางก็มี เขาคิดอย่างหนึ่งเราคิดอย่างหนึ่งเขาว่าเราว่าแต่ว่าความเป็นจริงมันมีตรงเนี้ยตรงนั้นต้องเคารพธรรมะสัจธรรมจึงไม่มีเรื่องต้องมาถกเถียงกันเลยในโลกใบนี้นะคุณว่ายังไงผมว่ายังไงไม่ต้องมาเถียงกันเพียงว่ามีหน้าที่อย่างไรเราก็กล้ารับผิดชอบความคิดของเราแบบนั้นตรงนี้มันเป็นงานเป็นการเป็นหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้า เพราะนั้นเวลานี้คือเวลาที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเราบุคคลที่อยู่ตรงหน้าขนาดนี้คือบุคคลที่สําคัญที่สุดของเราเป็นคนคนเดียวกันเขากับเราเหมือนกันมีความทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อรู้สึกตัวก็จะต้องมีความไม่ทุกข์เหมือนกันเมื่อทําถึงที่สุดแล้วเกิดวิมุตติหลุดพน้นก็ต้องวิมุตติหลุดพ้นในอารมณ์ในจภาวะทุกในสภาพธรรมที่เปนปรากฏอยู่เหมือนเหมือนกันะ จะเป็นการเดินทางอันนี้เราคือาญาณมีปัจจัยาญาณเกิดจากความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวจะเป็นคุณธรรมที่มีคุณมีค่ามากการจะระเสภฐานทาให้เกิดคุณค่าของชีวิตอย่างมากมีกายหยิบกายมาใช้เกิดคุณค่ามีใจมีความคิดหยิบความคิดมาใช้เกิดคุณค่ามีวาจาหยิบวาจามาใช้เกิดคุณค่าแต่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวมันค่าคุณะ นะคิดค่าตัวเองอย่างมาเคิรนะ์นไปข้างนอกลองไปสุ่มๆดูก็มีอยู่สองคนที่กล้าแสดงออกว่าเคยคิดค่าตัวตายอย่างนี้อันนี้เป็นภัยายในตัวภัยวัตาสงสารที่เกิดจากตัวเองที่รู้ไม่เท่าไม่ทันของตัวเองนะจนเกิดอาการที่ยึดถือตัวเองเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจนกลายเป็นโตสาจริตโมหาจริตโลภจริตโลภกดหลงรักชังต่างๆ ความคิดภัยเกิดความสุขความทุกข์เพราะนั้นเมื่อกี้เราสวดถึงว่าโองคสมเด็จจำเมาเจ้าได้พูดถึงโครงเรือนเราได้รื้อเสียแล้วในช่างปลูกเรือนจะสร้างโครงเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปในช่างก็คือแล้วะของการออกแบบของความคิดที่มันออกแบบชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาเวลาจนเรียกว่าจริตนิสัย เมื่อถูกลือเจแล้วก็คือรู้เท่ารู้ทันในช่างผู้ปลูกเรือนการปรุงการแต่งการหลงเข้าไปในความคิดจนกระทั่งปรุงแต่งเป็นตัวสังขารตัวนี้เมื่อเราถูกรู้เท่ารู้ทันเมื่อกลายเป็นเรื่องของโครงเรือนมันทําเรือนให้เราไม่ได้ต่อไปในช่างผู้ปลูกเรือนเรารู้จักมันจะแล้วก็คือไอตัวหลงนั่นเองตัวอวิชาตัวไม่รู้เท่าไม่รู้ทันนั้นวิชา มันทาให้เกิดจิตใจนะที่มีศรัทธามีความเชื่อขึ้นมาในความเชื่อศรัทธามันก็ทําให้เกิดจิตใจที่มีความปราโมทขึ้นมาแล้วก็รื่นเริงกับการกระทําของเราเกิดปิตินะเกิดการซาบซ่านอิ่มอกอิ่มใจพิติน้อยๆ้พิจิริโลดผลนพิจิตรที่มาเป็นพักพักพิติที่มันลน่าจะเป็นคนลุกขนคลองน้ํำหัวน้ำตาไหลต่างต่างมันก็เกิดขึ้นมาเกิดความสงบระงับขึ้นมา เราเคยวิ่งหาวัตถุหนึ่งสองสาบุงคนหนึ่งสองสาการกินเกียตรตต่างบัตรนี้มันหยุดพอมันหยุดแสวงหาปั๊บนียเมื่อเกิดแล้วนะกายสมบระงับขึ้นมาจิตใจสงบระงับขึ้นมานะก็เรียก ว, ว่าปัจสถิเกิดขึ้นมาเกิดการเบากายเบาใจขึ้นมากายแล้วตาเกิดจิตใจที่เป็นจิตใจแล้วตาก็แสดงออกมาเนี่ยไม่หนักอื้นตรงนี้สบายเนื้อสบายตัวจะแล้วเกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุข ที่เราเคยอิงอามิตรได้ไมาวัตถุหนึ่งสองสามบรคคหนึ่งสองสามแต่บัดนี้มันเป็นสุขเกษมสารภายในใจของเราที่หยุดลำเบาสบายไม่มีภาระมันก็เบื่อหน่ายคลายจางความสุขเก่าๆที่เราเคยเจอมันเป็นสุขเผาสุขจีสุขที่ต้องเสพติดเสียเงินเสียทองทํางานทําการมันก็วิราคะไม่ให้ราคาต่อไปมันเกิดวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมานี ตรงนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนของอารมณ์ปฏิบัติทุกครั้งที่รู้สึกตัวแล้วก็วางกายวางใจได้ว่าเด็มก็เกิดวิมุตต์ขึ้นมาทันทีมันก็เป็นราบเป็นอดีเลกันราบที่มีอยู่ตลอดเวลาของชีวิตมนุษย์ที่พบพศาสนาแล้วก็มีการปฏิแบบตรงลงไปที่เรียกว่าเจรินสติปัฏฐาน4ี่อย่างถูกต้องมันก็ได้สัมผัสทันทีอย่างนี้นนะนี่แหละมันคือเล่านของ วินาทีที่เป็นนาทีทองที่มันมีอยู่ในชีวิตของเราแล้วบัดเน่งอยู่ที่ว่าเราใช้โอกาสแล้วก็ช่วยโอกาสหลังจากที่เราหาโอกาสมานานในชีวิตของเราบันไดวันหนึ่งที่เราจะเจอลณะของกิจที่เป็นลณะของปกติที่มันแสดงออกที่สภาวะธรรมก็เรียกวันิพานเป็นนิพานจิมลองตรงนี้ตรงนี้นมันเป็นเรื่องของ ใครของเราล ะ, ละที่จะมีความเห็นแล้วก็ใชนะ้ความเห็นของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตของเราต่อไปอหลังจากที่เราเห็นว่ามันเป็นจริงใครควรอยู่ในสมวนนสิการอยกแยะคนค่าแ ท, แแาท้แยกแยะคงค่าเทียมแยกแยะอย่างมีการสังเกตที่เป็นการสังเก ต, ตด้วยสติโดยไม่ต้องใช้ความคิดอย่างี้แต่เป็นการสังเกตอาการเทียนปรากฏ ถสองวันก่อนนี่เคยเคยสังเกตรปรากฏการณ์อยู่อย่างคือขณะที่ครับนั่งรถกลับมาจากจังหวัดสุรินไปสอนทำครั้นี้จังหวะนั้นนันพโพรภเพพอดมาเจอเกื่อนลำบะทาวตรงที่ป่งช้างมันก็มีช่องสว่างเล็กๆนันเป็นสีชมพูสอดออกมาก็คำนวณไปในใจแล้วว่าอีกสองวันฝนมันจะตก คำนวณเอาไว้แล้วก็มาถึงเจอแม่เด็กอยู่คนหนึ่งแม่เด็กที่ว่าเป็นเด็กที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะเด็กคนนี้สามารถเรียนได้ทุกหมาหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถเรียนได้ทุกคณะในประเทศไทยแต่ว่ากฏว่าเด็กคนนี้เขาเรียนไม่ได้เนื่องจากสติแตกไปเรียนที่ญี่ปุ่นก็เรียนไม่จบมาเรียนเมืองไทยก็ต้องดอบพอมาถึงที่นี่ก็บอกเขาว่าอีกประมาณสองวันฝนจะตกหนัก แล้วมันก็ตกหนักลงมาจริงๆนะตกแบบเทนั้นเทท่าเขาก็มาถามว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าฝนจะตกอีกสองวันข้างหน้าอันนี้มันเรื่องธรรมดามากเลยที่ธรรมชาติก็บอกรหัสอะไรเรามากมายแล้วก็นะถ้าร้อนอ้าวๆแล้วอะเนี่ยเหนียวๆตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันบอกแล้วโรลยละเย็นอย่างเงี้ยมันบอกแล้วเรื่องทีฟ้าหลวงมันบอกอะไรเราแล้วะ แล้วยู่ๆมันเกิดลมนิ่งขึ้นมาบอกอะไรแล้วบางทีสัตว์มันเคลื่อนตัวมันกระตอกกระตากไก่เนี่ยนะเรือนกมันแซวกันแซวเลยหรือบางทีมดขนไข่หรือว่ามันมีปฏิยายหลายๆอย่างที่มันบอกถึงรหัสของธรรมชาติอย่างเงี้ยแต่ว่ามนุษย์ไม่ไม่ค่อยเห็นมันเพราะว่าไปหลงแสงสีเสียง ละครเมทีหลงทีวีหลงอินเทอร์เน็ตจนจนลืมดูสิ่งแวดล้อมารอบตัวนมันมีอยู่หรือบางทีรหัสของคนมันก็บอกอะไรเราอยู่ดังนะั้นปริยาอาการท่าทางต่างๆมันบอกอะไรเราอยู่นะเนื่องจากเราถอดรหัสในตัวเราแล้วเราก็อยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้ามาอมต่างๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเราได้เมื่อต้องเห็นเขาเมื่อเราเรียนรู้โรคในตัวเราได้เมื่อต้องเรียนรู้ในโลกใบใ มันคืออะไรกันแน่แล้วท้ายสุดเราก็ดินสุ ด, ดินน้ําสุดน้ําลมสุดลมไฟสุดไฟถ้ารู้ไปสู่ธาตุรู้ธาตุว่างไปสู่ธาตุว่างมันมีอยู่นะมันเป็นลักษณะของธาตุหกที่มันมีอยู่ตอนนี้เราต้องมาฝึกธาตุกรรมฐานธาตุกรรมฐานนีให้มันมีลงไปตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นยันหลับ เพราะนั้นเดี๋ยววั น, นี้เราลองสังเกตดูนะว่าถ้าสี่ขันธ์ทางเรานะเป็นยังไงแล้วก็เกี่ยวข้องกับโลกธาตุไปเนะี่ยว่ามันเป็นยังไงนะมันจะเป็นปกติได้ไหมภายในจิตใจของเราเมื่อโดนกระทบนะเพราะเรามีขันธ์ห้าอยู่เมื่อขันธ์ห้าเรายังมีอยู่เนะยเมื่อถูกกระทบมันต้องกระเทือนแต่ว่ากระเทือนแล้วไม่ทุกข์นีน่มันเป็นความบริสุทธิ์ของธาตุขันธ์นะั่นเอะเพราะนั้นความรู้สึกตัวมันจะแยกให้เราทุกครั้งที่รู้สึกตัว มันจะเห็นรูปทำนามทำอาการของกันหน้าที่แสดงออกเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็ถือว่าไม่วันไหวจะมาหากรรมฐานให้ได้ถ้ากรรมฐานนั้นต้องเด่นจะต้องเกิดสติอินทรีย์ขึ้นมาอันนี้แหละจะเป็นพลังพลังของสติจะพาให้เกิดวิริยะเกิดสมาธิเกิดเรื่องของศรัทธาคู่กับปัญญาขึ้นไหทุกครั้งที่รู้สึกตัวทุกครั้งที่รู้สึกตัวรู้สึกตัว ตัวนี้คือหน้าที่ของเราที่ you you อยู่วัดอยู่างนนะเราเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็กลับมาร้อมกัน